ตอนยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์วันที่31ธันวาคม 2,558 การ้าบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกาลยมิตรทุกคนนะนั่งสบายๆนะก็วันนี้ปกติไม่ใช่เป็นวันที่บรรยายนะเป็นวันพิเศษวันหนึ่งพวกครูก็ขอแจ้งโปรแกรมคืนนี้นะ เราต้องทำกิจกรรมถึงเที่ยงคืนนะก็เราได้ทำวัดเย็นไปแล้วจิตใจสงบเย็นพร้อมที่จะฟังธรรมเพราะครูมีเวลาชั่วโมงเสร็จๆนะคือไปถึงสองทุ่มยสบนะแล้วก็เราทำนานาจิตตังชั่วโมงหนึ่ง จนถึงสามทุ่มสามสิบแล้วก็พักดูภาพยนตร์ซีรีส์พุทธเจ้าสองตอนจนถึงห้าทุ่มนะแล้วก็ทำนาน า, นาจิตตังอีกรอบหนึ่งจากห้าทุ่มถึงหกทุ่มพอหกทุ่มหนึ่งนาทีเราก็เฉลิมฉลองปีใหม่กัน หลังจากนั้นก็ไปปล่อยโคมลอยที่พระใหญ่นะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าหกโมงครึ่งก็พระภิกษุสามเณรคุณไม่ชีออกมาบิณฑบาตเราก็จะได้ทำบุญแต่เช้านะไปใส่บาตรก็ถือว่าเป็นการเริ่มปีใหม่นะที่สมบูรณ์นะก็คืนนี้เราก็ ฉลองปีเก่าโดยมาทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ปฏบิบัติบูชาข้างปีเอาเป็นว่าคืนนี้เราปฏิบัติทีหนึ่งสองปีเลยนะก็พระพระสงฆ์เรูปสามเณรสามรูปคุณไม่ชี้ยสามท่านรวมเป็นสาสามรูปนะก็แจ้งข่าว อ, อันหนึ่งศูนย์กรุงเทพเราศูนย์โค้ จริงๆแล้วพ่อครูพูดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแต่บังเอิญว่ากาละยมิตรเราเพิ่งเดินทางมาเมื่อวานกับวันนี้ก็สรุปสั้นๆนะเราจะปิดศูนย์เขานั้นวันที่15เมกราคมนะแล้วก็วันที่16เวลา10โมงเช้าพ่อครูจะเดินทางไปเนื่องจากเป็นวันครูนะเราก็จะทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนากายจิตนะที่ ที่ใหม่ที่ใหม่ก็เวลาสิบโมงเชา้าล้วก็ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าบอดี้ y ม i ์ฟิตเนสเซ็นเตอร์นะทำพิธีไหว้ครูแล้วพวกกูก็บรรยายแล้วก็ทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็จัดตั้งชมลมพัฒนากายจิตบอดี้ไมล์ฟิตเนส เปิดลงทะเบียนสมาชิกชมลมเป้าหมายคือกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนะก็ฉลองศูนย์ใหม่ร่วมกันโดยการฟิตเนสด้วยกันวันที่17เช้าสิบโมงพาะครูก็บรรยายนะก็ชี้แจงเรื่องโปรแกรมอะไรคือกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุข แล้วก็ทานอาหารกลางวันด้วยกันอีกวันหนึ่งนะเป็นการเปิดศูนย์เป็นการภายในก่อนนะในในวงการมิตรพวกเรานะส่วนเปิดเป็นทางการนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพราะครูต้องจัดโบชัวอะไรอะไรทุกอย่างให้มันพร้อมนะแล้วก็ชมลมนั้นเราก็ คัดเลือกกรรมการชมลมบริหารโดยคณะกรรมการมีอายุการดำรงตำแหน่งสองปีนะส่วนชุดแรกเนี่ยพ่อครูก็เป็นคนคัดสรรคนที่เหมาะสมก่อนเมื่อชมลมที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเราพร้อมที่จะขยายผลนะก็ก็แจ้งข่าวอย่างนี้ทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเรียกคำว่าฟิตเนสยี่กปีพ่อครูเนี่ย ถอยชีวิตมาอยู่ที่นี่จากอเมริกามาอยู่ที่นี่เอาเป็นว่าเราไม่ใช่นับถือบุทธศาสนาอย่างเดียวนะเพราะกูถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าทั้งครอบครัวนะก็เห็นมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างนะจนสรุปเพราะว่าให้ทุกคนย้อนหลังไปฟังที่วรนอาิตย์นะก็สรุปว่ามาถึงวันนี้เนี่ย มันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างสังคมมนุษย์โลกทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยการขัดแย้งนะเริ่มจากการแข่งขันเรื่องเศรษฐกิจจากสงครามเย็นมาสงครามเศรษฐกิจนะตรงตอนนี้พัฒนาไปสู่สงครามศาสนานะมันทำท่าจะบานปลายญี่ปุ่นก็สองวันนี้เนี่ยก็ผ่านงบประมาณก้อนมหาศาล ซึ่งเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกกดไว้ไม่ให้ทำเรื่องนี้เขาแก้รัฐธรรมนูญว่าต่อไปนี้กองทัพเขาออกต่างประเทศได้แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาตั้งงบประมาณมหาศาลเพื่อทุ่มเทให้กับกองทัพเอาเป็นว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่สงบแล้วนะแต่สำหรับพกูมันไม่เกี่ยวโลกจะเป็นอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ของเราอย่างนี้เราพร้อมแลละอะไรจะเกิดก็เกิด มีแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยนะจะทำอย่างไรนะหลายคนปฏิบัติมาก็เห็นว่ามีประโยชน์มากสาหรับชีวิตเรานะก็หลังจากพวกครูเดินทางไปกรุงเทพไปซ่อมศูนย์ตรงนั้นวันนั้นก็เห็นป้ายใหญ่มากข้างถนนว่าฟิตเนสนะโยคะเราก็มีคำตอบว่าโอเคต่อไปอย่าพูดคำว่าปฏิบัติธรรม อย่าไปขัดแย้งกับลัทธิศาสนาอื่นแล้วก็พุทธเราเองก็จับถูกจับผิดกันนะตอนนี้แย่งชิงอำนาจอะไรกันตอนนี้นะมันเป็นไม่เคยเกิดแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกความรู้สึกนี้ก็เข้าไปอยู่ในทุกสายเลือดแต่ละคนทุกกลุ่มนะเกิดสังคมวิตกจริตนะก็เราพยายามหลีกเลี่ยง ที่จะไม่ต้องไปกระทบใครก็จากนี้ไปเราจะไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเราเรียกว่าเราฟิตเนสเพื่อกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขจริงๆแล้วมันก็คือคำสอนพุทธเจ้านั่นแหละแต่ตอนนี้จากนี้ไปพะ ก, กูจะพยายามนะไม่พูดภาษาพุทธ แต่ให้เวลาพระครูหน่อยหนึ่งพราะ26ปีทาหน้าที่ตรงนั้นพระครูจะพยายามพูดภาษาธรรมภาษาธรรมดาธรรมดานะเพื่อไม่ต้องเปิดประเด็นขัดแย้งนะมันถึงเวลาละก็เราลองดูนะกรุงเทพเป็นศูนย์แรกที่เราจะเปิดวันที่1 6นี้นะพระครูจะเล่าข้าวว่า4ปีก่อน เราไปเปิดที่ตึกว่องวานิศเพราะคูเอาปัจจัยไปให้นาหารเนื่องจากมันมีค่าเช่าเดือนละแสนบาทเราอยู่ได้ห้าเดือนแต่เราเห็นประโยชน์ของสิ่งนี้โดยเฉพาะคนในเมืองไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไม่เครียดเครียดมากเครียดน้อยเท่านั้นเองและความเครียดนี่พัฒนาไปสู่โครคภัยไข้เจ็บต่างๆ นะโรคภูมิแพ้เมื่อเราเครียดภูมิคุ้มกันเราก็ตกต่ำเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเช็คน้ํามันเครื่องไม่ทําความสะอาดไส้กรองน้ํามันอากาศบ่อยๆเนี่ยมันน้ํามันก็สูดสิ่งสําลักแหวนลูกสูบก็พังหมดนะเนื่องจากชีวิตเรายุคนี้เนี่ยมันเครียดมากมันต้องต่อสู้นะต้องแข่งขันค่อยทํารงชีวิตได้นะซึ่งวิธีนี้เนี่ยทุกคนหลีกเลี้ยงไม่ได้ นะก็หลังจากเราไปลองทำแล้วเนี่ยเราก็เห็นประโยชน์นะบังเอิญว่าวันนี้ก็ถือโอกาสนะต้องพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะคือคุณใหญ่ประธานบริษัทโค อ, อยฮะมอเตอร์เคยบวชแล้วมาอยู่กับพระครูเจ็ดวันท่านก็ได้ยินข่าวก็เชิญพระครูไปที่บริษัทโค อ, อยฮนะก็ กิจใจเมตตาก็ให้เราใช้สถานที่โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ดําเนินมาสปีกว่าแต่ตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นมันแคบไปละนะแล้วก็เราจะเปลี่ยนระบบบริหารจัดการใหม่มันก็คงไม่สะดวกที่ว่าจะไปเปิดสองแห่งพร้อมกันสู้ศึกหลายด้านเราก็ตัดสินใจจะปิดโคแล้วก็ที่ใหม่มันอยู่แถวเขาเรียกว่านวามิน ซอย85นะเข้าไปในซอย800รเมตรนะมีบริเวณรัวรอบขอบชิดเป็นส่วนตัวนะก็จอดรถได้พอสมควรทีนี้ประสบการณ์ที่เราทำมาสี่ปีนะถ้าเราทำแบบเก่าเนี่ยมันจะไม่เป็นสากลไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ถ้าพ่อครูอยู่ไม่มีปัญหาก็เลย พิจารณาว่าเราตั้งเป็นชมรมนะเป็นสมอมสโมอสรของสมวนสมาชิกนะสมาชิกชมรมก็ช่วยกันดูแลนะก็เที่ยวนี้พระครูก็ไปไปซ่อมแซมนะเราก็ไปทำบุญซ่อมแซมให้หนึ่งล้านบาทนะก็คงกำลังติดแอวันนี้คงคงเสร็จสองวันนี้ ก็ต้องการให้มันเดินด้วยตัวมันเองได้นะทีนี้คณะกรรมการที่เรานั่งคุยกันเขาเข้า้าวว่าต้องการไม่ให้เป็นภาระของสมาชิกมากนะก็มีเจ้าภาพเขาสถาพระครูว่าเขาจะเหมาหมดพระครูไม่ได้ก็มันไม่ใช่สากลอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมถ้าศูนย์ตรงนั้นเปิดและดำเนินได้เราสามารถเปิดได้ทุกจุดทั่วโลก เราไม่จะทำธุรกิจเราไปเก็บค่าปฏิบัติอะไรไม่ได้นะเราไม่ทาการค้านะแล้วก็กำลังคุยกันอยู่เพราะว่ากรุงเทพการบิ่งออกมาเรืออะไรเนี่ยจะไปทานข้าวต่นนี้นมันก็ในซอยนะเพียงแต่ว่าขอให้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะอันนี้ก็เล่าให้ทุกคนฟังพระครูเห็นสิ่งบอกเหตุหลายอย่างนะความขัดแยง้งนะ สงครามเศรษฐกิจไม่พอละตอนนี้สงครามการเมืองระหว่างประเทศในประเทศตอนนี้เป็นสงครามระหว่างศาสนาก็พรกคูรอสองปีไม่ออกไปไหนนะหลังจากเท่านี้เนื่องจากว่าเรามีเหตุต้องต้องย้ายศูนย์ใหม่ก็ออกไปก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าถ้าพรกคูรอให้ทุกอย่างสงบ ชีวิตนี้ก็คงไม่ต้องออกไปมีอย่างนึงก็คือพวกคูหยุดทุกอย่างนะทีนี้การมิตรที่เขาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเขาก็เห็นประโยชน์นะพวกกูว่าก็เราลองทำดูนะถ้าเกิดมันมันไปได้คำว่าเป็นสากคือทำที่ไหนก็ได้นะทุกวันนี้เนี่ยมันทำอะไรมันก็ ค่าน้ำค่าไฟมันไม่ใช่ฟรีเราก็ต้องจ่ายนะสูนี่เหมือนกันถ้าพวกครูอยู่ไม่มีปัญหานะเคยเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่ครัวเราทำอาหารเวลาเปิดเทอมนี่เลี้ยงคนประมาณวันละพันคนนะวันละพันคนเด็กแ0 0รอกว่านะคุณครูอีกแล้วก็กัลยาณมิตรญาติธรรมพราภิกษุสมัมเนนคุณไมช่ชีนะ มันไม่เกี่ยวกับได้กับเสียนะเราได้ทุกวันเราได้ให้เราได้ทำประโยชนนะ์ก็อยู่ได้ด้วยพลังศรัทธาแต่ถ้าวันไหนพ่อครูไม่อยู่แล้วเนี่ยศูนย์นี้ก็คงล่มนะนะแต่ที่นี่ไม่ได้ห่วงนะพ่อครูกำลังทำให้เขาเดินด้วยตัวเขาเองได้แต่มันไม่ใช่สากลนั่นแหละมันต้องอาศัยพ่อครู ทีนี้ไอ้ที่ไปออกกรุงเทพนั้นพระกูต้องการให้เป็นสมาเป็นสากลจริงๆเราก็เลยคงตั้งเป็นชมรมแล้วก็เป็นสโมสรของสมาชิกทุกท่านนะเครียดเมื่อไหร่หรือว่าบางทีไม่เครียดก็ต้องไปใช้ประโยชน์เหมือนตอนนี้เราไปฝึกฟิตเนสนะไปออกกําลังกายออกกําลังกายออกกําลังกายทําเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆแต่เราได้สิ่งใหม่ๆคือมันก็แข็งแรงขึ้นใหม่ๆทุกวันนะก็ตอนนี้ ตอนนี้ไปอย่าไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องสภาวะธรรมต้องใช้คำว่าเด็ดขาดฝืนกินเลสตัวเองหน่อยเนี่เหมือนเราไปเล่นพิษเน็แล้วก็แข็งแรงขึ้นอย่าไปคุยกันว่าฉันแข็งแรงมากกว่าเธอเธอแข็งแรงมากกว่าฉันฉันเล่นวิธีนั้นวิธีนี้ไม่ต้องคุยต่างคนต่างเล่นนะ เ, เพื่อป้องกันความสับสนโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณยิ่งพูดมากยิ่งสับสน เพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นน่ะมันพูดด้วยภาษาเนี่ยภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นไม่ใช่พูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันนะก็พระครูไม่ได้ปฏิเสธภาษานะพระครูก็ใช้ภาษาสนทนากับพวกเราอยู่แต่ว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่พูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันนะผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าเพึ่งเชื่อตาําราตําราไม่ลูกของภาษา คนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่านัตตาทะเลบบาะบอแวงกันนะเรียนจบปริยายเอกทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษานะโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยจะอธิบายด้วยภาษาเนี่ยมันมันมันมันยากที่จะเข้าใจนะเพราะครูก็พยายามจะหลีกเลี่ยงใช้ภาษ า, ษาธรรมดานี่แหละนะไปไหนไปฟิตเนสถ้าเราบอกไปปฏิบัติธรรมสายไหน แบบไหนออโทกันไม่หยุดเพราะมันเกิดวิตกจริตอันนี้ชั้นของแท้นั้นของเทียมอะไรเนี่ยยี่สิบหกปกูเจอเรื่องพวกนี้มากซึ่งมันไม่มีสาระอะไรใครออกกำลังกายคนนั้นก็แข็งแรงแล้วเราแบ่งความแข็งแรงเราจะคุยโม้โอ้โอวดกระชังแเราก็แบ่งความแข็งแรงคนนั้นน่ะให้คนที่เราลักก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะใครทำคนนั้นก็ได้ก็พวกครูต้องมีหน้าที่ชี้แจงพวกเราหลายคนปฏิบัติตามพวกครูมาแต่เป็นยี่สิบกว่าปีนะพอเกิดสิ่งใหม่พวกครูต้องมีหน้าชี้แจงว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะเราเหลีกเลี่ยงเพื่อจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขัดแยง้งที่พวกครูหยุดไม่ออกไปข้างนอกสองปีก็เช่นนั้น นะพ่อครูไปทําหน้าที่อย่างหปีไปบรรยายต่างๆนะไม่งั้นไม่มีใครรู้จักพ่อครูพ่อครูอยู่ที่นี่20ปีไม่เคลื่อนไหวนะพอถึงเวลาเราก็ไปทําหน้าที่นะไปให้ไปชี้ทางแล้วก็เห็นขึ้นความขัดแย้งมันแรงมากก็ต้องหยุดก่อนคนรเรารักกันหรือว่าลักประเทศชาติอันเดียวกันเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกัน ใครถูกใครผิดก็ช่งางทะเลาะ ก, กันคือผิดนะไม่มีใครได้อง์รวมเสียหายหมดทีนี้มันแรงจนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วละ่ะพวกคูก็เลยนิ่งนะแต่ถ้าไปรอให้มันสงบคิดว่าชีวิตนี้ก็คงไม่มีโอกาสละนะก็ไม่เป็นไรเราก็ออกไปแบบฟิตเนสนี่แหละนะก็ พ่อครูบอกกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขบางคนก็แย้งว่าเอ้าพ่อครูสอนให้เขาไปติดสุขเลยไม่ใช่ยังไม่พ้นทุกข์ก็สุขไว้ก่อนแต่สุขสูงสุดหน่งคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขพื้นฐานยังไม่ได้เลยจะไปพูดสุขสูงสูงนั่นมันมันมันเป็นเรื่องที่มันห่างไกลตัวเอาเป็นว่าคนเรามีทุกข์สองอย่างทุกข์กายกับทุกข์ใจ นะทุกกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะออส่วนทุกใจนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์บางทีร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬาทีมชาติมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงพอแพ้มาอกหักมาก็ฆ่าตัวตายเพราะจิตมันไม่แข็งแรงโดยเฉพาะยุคนี้การศึกษาเราเป็นเน้นที่วิทยาศาสตร์ จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีผู้เจ้าก็สอนแบบวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแต่อย่าพิ่งปฏิเสธนะฟังหูไวหูนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องอย่าด่วนสรุปว่ามันใช่ไม่ใช่เราต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองแบบวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าทุนนิยมวัตถุนิยมเนี่ยเราเป็นเน้นที่ตัววัตถุวิทยาศาสตร์เลยค้นคว้าวิจัยแต่เรื่องรูปธรรม คล้ายๆปฏิเสธนงมาทำในแง่ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ใช่รูปธรรมอย่างเดียวยกตัวอย่างนะคนนี้เสียชีวิตใหม่ๆไม่หายใจแล้วร่างกายมันยังอยู่ใช่ไหมทำไมมันคิดไม่เป็นทำไมไม่มีความรู้สึกรีบผ่าตัดเอาหัวใจของคนนี้ไปเปลี่ยนให้คนคนอื่น ที่ยังไม่ตายทำไม ห, หัวใจมันเต้นขึ้นมาอีกอะไรทำให้มันเต้นเรารู้สึกดีใจเสียใจสุขทุกมันเป็นเรื่องของนามมาทำเท่านั้นเองเราพิเสรณได้ยังไงว่ามันไม่มีนี่คือความสำหรับพวกครูนะมันเป็นความล้มเหลวขั้งใหญ่ของมนุษยชาติมันแก้ปัญหาได้ครึ่งเดียว ผู้เจ้าสอนรูปนามต้องสอนทั้งหมดแล้วก็แยกเป็นรูปนี่คือกายเวทนาจิตธรรมกายนี้เป็นแค่รูปอย่างเดียวเวทนาจิตธรรมเป็นนามธรรมาหมดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สอย่างนี้เนี่ยไอ้รูปประธรรมแค่2ีนามธรรมเจ็าเปนตี่คือความสําคัญของเขา ถ้าไม่มีนามมาทำหรือจิตวิญญาณแล้วเนี่ยความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้หัวใจมันเต้นไม่ได้แต่เนื่องจากว่าวัตถุนิยมทุนนิยมเนี่ยเราแข่งขันที่เทคโนโลยีแข่งขันที่วัตถุมันถึงจะขายได้เป็นเงินเรื่องอารมณ์เรื่องจิตวิญญาณมันไม่มีประหลอดวัดมันต้องรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเองมนุษย์เรา จึงมักง่ายปวดหัวปึ๊บก็กินยาพารามันไม่ได้หายปวดนะมันเป็นระงับประสาทไม่ให้มันมีความรู้สึกปวดเท่านั้นเองนะแล้วก็คิดต่อเราคิดว่าเราหายไม่มันสะสมความเครียดจนกลายเป็นไมเกรนนะเป็นความเครียดลงกระเพาะพราะครูละคนหนึ่ง พอฤิยามันหมดถ้าเราไม่เลิกคิดมันก็ปวดอีกจริงแล้วอาการปวดหัวท้องอื่นท้องร่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นปกติแต่เราไม่ชอบมันเอ้ยไม่ปกติแล้วเราก็ไปรักษาไอตัวปวดตรงนั้นจริงๆแล้วมันเป็นปกติมันปรับสมดุลของมันมันเป็นสิ่งเตือนภัย ว่าเธอคิดเบาๆหน่อยเวลาไม่ปกติคือเวลาเราคิดมากเกินไปและกินอย่างไม่บัญญะบรญยังมันอร่อยนะเพราะคูเคยพูดว่าคูโก้นี่เป็นประธานมูลนิธิมุดสูนเพื่อผู้ ด, ด้อยโอกาสสืบประลานข่อยตอนนี้นะสมัยก่อนเป็นเด็กมั น, นอกคนหนึ่งคนอีสานเนี่ยเขาไม่ได้กิน ส้มตำของเขาเนี่ยไม่ได้กินตำมะละกอนี่ยเขาตำพริกแดงหมดเลยเขากินเข้าไปเอาเข้าไปในปากแล้วก็ร้องรั้นว่าแซบชิบหายเลยรู้ว่ามันชิบหายก็เอาเข้าไปไงแล้วก็เพาะกระเพาะพังหมดท้องเสียเห็นไหม ท้องอืดท้องล่วงปวดหัวนี่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเธอระวังหน่อยความไม่ปกติมันเกิดขึ้นตอนที่เรากินอย่างไม่บรญญาะบรอยัญญางเราคิดอย่างไม่บรญญาะบรอยัญญางเพราะเราอยากผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากไปเห็นเลยว่าต้นเหตุเราทุกข์เพราะเรามีความกลัวความกลัวเกิดมาจากความอยากความอยากตัวตัณหานี่เกิดมาจากกิเลส เราบ่มเพราะเรากินเผ็ดบ่อยๆเราก็ติดเผ็ดเราก็อยากกินเผ็ดเผ็ดจนบอกว่าแสบชิปหายเลยเนี่ยเราก็ยังให้ตัวเองชิปหายเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่ได้กินเพราะมันจะไม่ไม่ได้กินอร่อยแล้วพอเป็นอะไรเราก็แก้ายเหุเพราะครูนี่แหละคนหนึ่ง4ีปีวิ่งไปตามโลกถูกสอนว่าเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขซื่อสัตย์มาก คิดคิดคิดคิดคิดได้ยินปุ๊บคิดเห็นปุ๊บคิดแล้วก็รวยจริงๆแต่หาความสุขไม่เจอมีมีของแถมมาด้วยก็เป็นไมเกรนความเพียรลงกระเพาะก็กินยาระงับปวดแล้วก็คิดต่อแต่พอ2ี่ปีมันเกิดการระเบิดปุ๊บเนี่ยไมเกรนกับโรคกระเพาะ อ, อะไรหายเดี๋ยวนั้น 26ปีมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องกินยาแม้แต่เม็ดหนึ่งเพราะจิตมันแก้ที่ต้นเหตุมันไม่ต้องคิดเลยทุกวันนี้คนไม่เชื่อว่าไม่คิดได้เหรอทำไมไม่ได้ตำรวจก็ไม่จับไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องขออนุญาตใครทาไมไม่ได้ง่ายด้วยง่ายจนไม่ต้องคิด แต่กิเลสเราเคยชินเราถูกสอนว่าต้องคิดไม่คิดคือโง่นี่คือกิเลสไงทาสายมไม่ต้องคิดไงมันคิดอยากได้รถเบน์ไหมโนมันเอาไปทำไมที่เราคิดเพราะเรารู้ว่าถ้าเราคิดเก่งๆ เ, เราชนะคารราจะได้ไงเราก็อาจจะได้ทรัพย์สินมาเนี่ยนะเราอาจจะได้ทรัพย์สิน แต่ในแง่ชีวิตเราจะเดี่ยงเพราะเราสนองกิเลสเราตลอดพอเขาแย่งไปปุ๊บก็เลยทุกข์พ่อครูเห็นจากความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราพูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้มันหยาบเกินไปเราบอกว่าเชื่องูก็ไม่มีขาเราบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขาความจริงมันเป็นเช่นนั้นเองพวกครูเสียดายเราเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ โดยเฉพาะคนไทยเราเกิดมาในยุคนี้มาเจอสิ่งยิ่งใหญ่สองอย่างอันดับแรกมาเจอคําสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลคือคําสอนพุระเจ้าอันดับที่สองมาเจอพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่เราไม่ค่อยฟังสองพระองค์ เรากลาวไหว้ผู้ที่เจ้าทุกวันกล า, ายไหว้ผพ้ทธ่ลูกกาบกาบกาบแต่ไม่เคยเชื่อพระองค์เลยแล้วก็เคารพสกาละในหลวงของเราแต่พระองค์บอกเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ไม่เชื่อแต่เราไปเชื่อฝรั่งเราไปเชื่อทุนนิยมมันก็ทุกสิพราะครูไม่ได้บอกว่าความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ดี หลักการทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องแล้วแต่ถูกครอบงําด้วยธุรกิจนิยมทุนนิยมหลักการดีแต่เป้าหมายผิดเมื่อเป้าหมายผิดวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีคนทําดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทํามันไม่ดีเป้าหมายมันทําเพราะมันอยากจะรวยมันไม่เอาชีวิตเอาชีวิตไปเดี่ยง ไปทุกเพื่อจะสร้างอนาคตแล้วสุดท้ายมีเงินเยอะเอาเงินมารักษาโรคในแง่ชีวิตคือมันไม่ดีแล้วก็แค่ไหนรวยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เราสวดมนต์ใช่ไ้มบทปงสังขารเห็นไหมคนรวยๆนี่เวลาตายแล้วลูกเมียก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะกลัวผีเขาไม่เอาเขาเอาแค่เงิน แต่คนดีๆที่ทำบุญวาสนาเผาแล้วเนี่ยเขาก็แย่งกันเอาอัฐิไปกราบไหว้บูชาทำไมเขาไม่กลัวเราก็เห็นเห็นเห็นแต่เราก็ไม่เห็นรันกกันปานจะกืนจะกินพอเสียชีวิตจากร้องไห้ร้อง ห, มห่มล้ไห้พอเอาไปป่าช้าแล้วนี่ไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้ รักกันจริงเหรอเราเกิดมาปุ๊บเป็นเบบีคนไทยเรียกเด็กทาลกส่วนมากส่วนมากนะไม่ใช่ทั้งหมดคนที่รักเราที่จุดคือคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ตั้งชื่อที่ท่านเรียกเราแล้วในท่านมีความสุขตอนนั้นเขาปรึกษาเราเราก็พูดไม่เป็นไม่เคยปรึกษาเราหลยนะปรึกษาเราก็ไม่รู้เขาก็ตั้งชื่อที่เขาเรียกมีความสุข แล้วเขาแถมมาด้วยลูกนับถือศาสนาพุทธนะเขียนลงไปในใบเกิดทะเบียนบ้านคนนี้บอกคิดนะคนนี้บอกอิสลามนะเพราะพ่ อ, พอแม่ชอบชอบโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเขารักอนาคตเรามากเขาก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตทุกคนก็ทุกข์เพื่อวิ่งไปอนาคต เขาไม่รักชีวิตเราเราทําเพื่ออนาคตเราไม่ได้ทำเพื่อชีวิตเราเอาชีวิตไปทุกเพื่อสร้างอนาคตแล้วก็ทุกทุกทุกทุกเพราะอยากสําเร็จพอสําเร็จปุ๊บก็สุขวันหนึ่งไปเลี้ยงฉลองกันทีนี้ทุกอีกเหมือนเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นนะ่ะเนาะเื้อเหนื่อ ย, อยลงไปนอนข้างๆมีร้อยชั้นนอนไม่ได้ล่ะ เดี๋ยวสู้มันไม่ได้เดี๋ยวมันจะดูถูกเราบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรเราคิดเอาเองพอสร้างสร้างสร้างขึ้นไปเกบเชั้นหมดแรงหมดเลยกาลังจะขาดใจตายก็ตายไม่ลงเสียดายอีกแค่ชั้นเดียวแต่มันหมดแรงจริงๆเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราโดยไม่รู้ว่าสร้างไปทําไม แล้ววันที่เสียชีวิตจากไปเนี่ยอย่าว่าแต่ชั้นหนึ่งเอาไปไม่ได้นะสะลึงหนึ่งก็เอาไปไม่ได้นี่เขาเรียกว่าทรับภายนอกมันเป็นแค่สมมุติแต่ที่ว่าอริยัพั์คือรับภายในเนี่ยอุณหภูมิกี่พันองศาก็เผาไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติ ทีนี้พิศาศษเราเนื่องจากว่าวิจัยแต่เรื่องลูกประธรรมอะไรที่พูดที่ว่าฉันตับต้องไม่ได้ในปฏิเสธหมดนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติพวกครูเห็นจากสมัยค้าคอมพิวเตอร์ที่อเมริกาลูกน้องไปปฏิบัติธรรมมาพูดเรื่องเวียน่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมนั่งสมาธิมึงไปไกลๆเดี๋ยวโดน ขี้เกียจยังไม่ว่าหลับหูหลับตาบอกเกิดปัญญานั่นลหละคือความรู้เราไงเราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไอ้เรื่องพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบคุณโทษไปไกลๆแต่หลังจากจิตมันอิสระระเบิดแล้วนี่จำได้หมดแล้วว่าไปว่าใครบ้างลูกน้องก็ช่างไปกราบขอโทษเขาเราคิดว่าเรารู้ เราก็รู้แค่วิชาการที่เราเรียนมาเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเลยเจ็บก็เอายาดับความเจ็บนอนไม่หลับก็เอายากินให้มันหลับความดันสูงก็กินยากดให้มันต่าเบาหวานขึ้นก็ฉีดให้มันต่ามันต่าก็จะช็อกเพิ่มเบาหวานทษน้้ำตาลขึ้นไปอีกสุดท้าย ฟอกไตมันเป็นแพ็กเกจเป็นแพทเทิร์นพระอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ที่นี่นะเป็นสารธมิพพคุูเบาหวานท่านขึ้นเจ0ดร้อหลายปีก่อน6 0ร้อมาเวียงเวียงเวียงก็เป็นปกติบังเอิญท่านชรล่าใจเมื่อมันหายแล้วเนี่ยก็ลุยเละเลยแล้วก็เละจริงๆเติมของหวานเข้าไปมันก็ธรรมชาติคุณเติมมันก็ขึ้นอีกไง แล้วก็เที่ยวนี้มาเที่ยวนี่มาดูแบกดวงด้วยเจ็ดร้อยไม่ใช่หกร้อยไปโรงพยาบาลรู้อยู่แล้วมันสูงก็กดให้มันต่ําอินซูลินฉีดให้มันต่ํำพอมันต่ําเกินไปก็เติมน้ำตาลให้มันขึ้นไม่งั้นมันช็อกพอฤทย า, ามันหมดมันก็ขึ้นอีกเที่ยวสุดท้ายตัวท่านเหลืองหมดเลยคําตอบคือว่าต้องฟอกไตท่านโทรมาปรึกษาบอกพระคระูอาจารย์ มาตายที่ศูนย์นไหนๆก็ตายแล้วอย่าไปทรมานท่านกลับมาหลายเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นอะไรจิตมันรักษาไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับผลของกรรมบี้หมัดหมานี่ปวดหั ว, วหักขายแย่เป็นอมภภาพามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเอง พ่อครูคือยกตัวอย่างบ่อยๆเห็นภาพชัดๆสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันที่เดียวกันสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดเหมือนกันไปเจอชายชะกันห้าคนอีกกลุ่มหนึ่งมาฆ่าข่มขืนถามว่าอุปัติเหตุสองอย่างนี้ทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตาย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 ทำไมลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันดี A. A. เอเ็เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ้นี้ขี้แยไอันนี้ไม่ขี้แยไอ้นี้ไอคิสูงอันนี้ไอคต่ำไอ้นี้แข็งแรงไม่แข็งแรงพระเจ้าที่ไหนมากําหนดทําไมเลือกที่รักมักที่ชังถ้าเราไม่ปฏิเสธนามธรรมาเราเรีวายไปดูอดีตเราจะเห็นเลยว่ามันทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งพระผู้เจ้าทํามาแล้วพระองค์ก็มาชี้ทางให้เราแล้วแต่เรากราบพระองค์แค่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอนอนตนขอนี่ เราไม่เคยฟังพระองค์เลยโลกใบนี้มันถึงเป็นแบบนี้ไงสำหรับพระครูนะไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเราเป็นหนี้เพราะเราเป็นหนี้กรรมเราถึงเป็นโรคถ้าเรายอมจ่ายหนี้เนี่ยเมื่อจ่ายหนี้ก็หมดหนี้โลกมันก็หายโลกอะไรก็หายหมดมะเร็งนี่เรื่องเล็กตายเผาปุ๊บมะเร็งก็ตายไปแล้วหมดแต่โรคทุกนี่เรื่องใหญ่ ตายแล้วไม่จบไปเกิดใหม่วันแรกก็แหกปากร้องอีกเห็นไหมเด็กมันน่าจะหัวเราะนะดีใจเลยฉันอิสระแล้วเขาร้องไห้ทำไมเขา ล, ลึกชาติได้นะเขาจำได้ไหมรู้ว่าเกิดทีไรทุกทุกทีเกิดทีไรทุกทุกทีมันถึงร้องไห้ แล้วพอเกิดปุ๊บนั่นเห็นบอกเกิดแก่เจ็บตายวันเกิดปุ๊บเด็กคนนี้แก่ไปแล้วหนึ่งวันไม่ใช่รอแก่นะทุกคนแก่ขึ้นทุกวันเกิดแล้วแก่แล้วก็รอเจ็บแล้วก็รอตายเซลเราเปลี่ยนทุกวันทุกวันเปลี่ยนใหม่เลยทำไมไม่เปลี่ยนให้เราเป็นหนุ่มหรือให้มันเล็กลงมันเปลี่ยนให้เราแก่ขึ้นทําไม เราต้องตักกะตรงไหนมามาลองคุยกันทำไมมันเป็นแบบนี้ผู้เจ้าตัดสรุปแล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกแต่เราถูกความรู้ซึ่งเป็นเหตุผลแบบตักกะและที่สำคัญคือไปติดอยู่แค่รูปธรรมเนี่ยเป็นความเสียหายอย่างยิ่ง พระแขก็มีมีกรรมหลักของพระแขนนะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีกรรมนะเจ้าชายสิทธัตถะตัสรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังโดนเทวทัตเล่นงานเพียงแต่ว่ากระทบไม่กระเทือนจิตพระองค์ไม่ง่ที่จะไปทุกข์เท่านั้นเองประแขทุกครั้งที่เป็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะ นว่าก็พาไปโรงพยาบาลยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยเนี่ยความดันมันก็หายถ้ามันเป็นจริงๆมันหายได้ยังไงไม่เป็นโรคอุปทานทั้งนั้นแหละถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าหลวงพ่อคงเนี่ยเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มากเรามีศรัทธามากๆวันในวันหนึ่งเราไม่สบายเนี่ยเขาพาไปหน้าวัดหลวงพ่อคงปึ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันมันกเกิดหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว พอคานไปให้ท่านตีหัวปกหายเลยยกตัวอย่างเราไปเดินป่าเขาบอกผีผี ผ, ผีเดินมาดีๆทำไมวิ่งไม่ออกมันเป็นโรคอะไรั้นแค่กายภาพมันเป็นอะไรถามว่าเกิดมาเคยเห็นผีไหมไม่เคยเลยแล้วทำไมกลัวผี เพราะเราถูกหลอกมาตั้งแต่เด็กแล้วกลางคืนลูกอย่าออกไปข้างนอกนะมันมีผีนะอย่าขับรถเร็วนะเดี๋ยวตำรวจจับมันฝังแล้วทุกวันนี้แทนที่จะเจอตำรวจรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมเจอตำรวจกลัวกันหมดผียังไม่เคยเจอเลยพูดผีแค่ได้ยินคำว่าผีทำไมเดินไม่ออกวิ่งไม่ออกอันนี้เขาเรียกว่าโรคอะไรมันเกี่ยวกับกายภาพตรงไหน หลายโลกพวกครูให้คะแนนนะเหมือนกายเวทนาจิตรมเนี่ยใ น, นแง่รูปประมร่างกายเนี่ยพวกคูให้แค่ 25% จิตวิญญาณ 75% ตแต่เราปฏิเสธเรื่องนามธรรมาอันนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติพวกครูคิดจนเป็นไมเกรน26ปีนี้ทำไมไม่ต้องกินยามันไม่เป็นไม่ไม่ปวดหัวเลยไง พรข้างในมันฉลาดแล้วมันทําลายความอยากแล้วที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราถึงคิดวางแผนอนาคตเมื่อมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีเหตุต้องคิดเมื่อมันไม่ต้องคิดมันไม่ต้องสร้างมโนกรรมมันก็เลยไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเสียยาไม่ต้องเสียงบประมาณไปสั่งยาต่างประเทศเข้ามามันสูงก็เอาให้มันต่ํามันต่ําก็เพิ่มให้มันสูง เนื่องจากว่าไม่ใช่เก่งนะก็เก่งไงมันสูงทำให้มันต่ำได้มันเก่งระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของมันเพราะเราปฏิเสธนามมาทำถ้าพา่อคูใช้อุบายนะแต่ผู้เจ้าไม่ให้สับสนุนบอกพ่อคูนี่มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้สัทธาสัทธา มาเจอหน้าพระครูเนี่ยภูมิคุ้มกันเกิดครึ่หนึ่งพอรถตมนตปุ๊บันหายเลยแค่น้ํำเฉยๆนี่ละหรือว่าพระครูมียาศักดิ์สิทธิ์นะบอกไปเอาญ้ามาต้มให้พระครูหน่อยหนึ่งนะตักมาให้มันจิ้มันหายเลยนะโรคบางโรคที่มันเกี่ยวกับอุปทานแค่ปลดอุปาทานเขาตั้นเองเนี่ยพระพุทธองค์เองเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยสาวกองค์ไหนประชวรพระองค์ไป แสดงโพชงเจตหายเมื่อพระองค์ประชวรเองก็ต้องให้สาวกมาแสดงโพชงเจตแค่ฟังปุ๊บมันหายได้ยังไงไม่ใช่ว่าฟังเสียงเฉยเฉยฉันก็หายนะต้องเข้าใจเนื้อหามันเขาแสดงถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันเ ป, ป็นปุกตอนนั้นร่างกายเราวีกมากเนี่ยสติมันถูกครอบงาด้วยอารมณ์กลัวอารมณ์ ทรมานเนี่ยพอเราได้ยินปุ๊บมันตื่นขึ้นมาเนี่ยภูมิคุ้มกันเกิดทันทีเลยอันนี้เขาเรียกว่าโรคอุ ป, ปทานเห็นไหมถ้าเร า, ากายภาพอย่างเดียวเราเออกกำลังกายทุกวันเราแข็งแรงไงแต่ถ้าเราไม่เอานามมาทำ เราเอาความแข็งแรงตัวนั้นเนี่ยเนื่องจากเรามีความรู้ว่าชนะถึงจะดีเราก็เอาความแข็งแรงนั้นน่ไปเบียดเบียนคนอื่นไปสร้างกรรมตกนรกแต่ถ้าเราพัฒนานามมาทำจิตวิญญาณเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะเอาความแข็งแรงของร่างกายในเนี่ยร่างกายนี้เนี่ยไปสร้างแต่สิ่งมีประโยชน์ตัวเองและผู้อื่นกลายเป็นบุญ พราะูเล่าให้ฟังว่ายี่บกปีพรากูเจออะไรมากมายก็เลยว่าความรู้เขาเป็นแบบนั้นไงนะอย่าเสียเวลาทะเลาะ ก, กันเลยพรากูคนหนึ่งพยายามหลีกตลอดและจ o น, นี้จนถอยจนอะไรนะถอยจนไม่มีอะไรที่จะไปนี่พรากูถอยมาอยู่ที่นี่ลงไปนี่เขื่อนสิลินทร น, นะไปทางโน้นก็ประเทศลาวก็แบ่งประเทศใช่ไหม เออเดินไปเฉยเไม่ต้องขอวีซ่าฉันขออยู่เฉยเฉยาก็ไม่ให้เราอยู่นะตอนนี้ถอยจนต้องไปพึ่งฟิตเนสเพื่อจะไม่ต้องปทะเลาะ ก, กับใครเพราะครูไม่สนใจหรอกว่าเรียกอะไรเพราะครูมีหน้าที่ทําอย่างไรคนหนึ่งเขาเสียเวลาไม่แต่หนึ่งนาทีนี่ให้มันเกิดมรรคผลกับชีวิตเขาแค่นั้นพอนะก็บอกทุกคนนะ เราถอยไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่รู้จะถอยไปไหนนะก็ไม่ต้องสู้กับใครเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนแพ้เป็นพระชนะเป็นมารสมัยก่อนพวกคูเถียงนะ่ะแพ้คือคนโง่จะเป็นพระได้ยังไงสมัยก่อนนี่ไม่ยอมเลยนะแต่หลังจากเราเข้าถึงตรงนั้นน่ะ เราเข้าใจเลยเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสเราดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนแล้วเป็นพระได้ยังไงแล้ว เ, เป็นพระผู้ให้ยงไงเมื่อเขาชนะก็มีความสุขก็ให้เขามีความสุขเราเป็นพระผู้ให้แต่ถ้าเราชนะปุ๊บเนี่ยตั้งแต่จะเอาชนะก็กลัวว่าจะแพ้ก็ทุกข์พอชนะปุ๊บก็ดีใจวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลัวมมาชิงอีกกลัวแพ้อี เราจะทุกไปตลอดการนี่แหละคําว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอยากชนะมันเป็นมารเล่าร้อนนะภาษาเดียวกันภาษาไทยเหมือนกันนะย้อนไปเป็นร้อยปีที่แล้วแล้วก็เดินหน้ามาห้าสิบปีที่แล้วกอไกเหมือนกัน แต่เปล่งออกมาในยะมันไม่เหมือนกันอย่างพระอาจารย์พุทธทาสต้นตำรับตัวกูของกูภาษาไทยใช่ไหมภาษาภาษาไทยสมัยพ่อคุนลามไม่ใช่เรื่องภาษายาก เนื่องจากเราศรัทธาท่านเราเคารพท่านท่านพูดอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกเลยแต่พวกเราใครคนใดคนหนึ่งสุมสี่ 4, สุมห้าลองพูดนี้สิตัวกูของกูเห็นไหมภาษาเดียวกันทำไมความหมายมันต่างกันเพราะกูจะบอกว่าภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นตอนนี้ เราถูกสอนมาทั้งเด็กๆทุกคนเหมือนกันนั่นแหละเียนเก่งๆนะลูกขยันนะต่อไปจะได้เป็นเจ้าเป็นนายร่ารวยแล้วจะมีความสุขทีนี้พระกูถามว่าใครรู้บ้างว่าตัวความสุขมันเนี่ยมันรูปร่างหน้าตา ย, ย่างไรมันมีกี่แขนกี่ขาลองวาดออกมาดูสิถามหลายคนในี่วาดไม่ออกเลย เราไม่รู้ว่าตัวความสุขมันเป็นอย่างไรแล้วเราสแสวงหาตัวความสุขเรากำลังสแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราจะเจอหรือเปล่าเนี่ยเราสแสวงหาอะไรเราถูกเขาใส่โปรแกรมภาษาบอก ว, ว่าถ้าเธอรวยแล้วเธอจะมีความสุขพ่อคูเองซื่อสัตย์มากพ่อครูเอาชีวิตพ่อคูเลยนะทั้งชีวิตนี่ลุยเละ แล้วมันรวยแล้วเพราะครูหาความสุขไม่เจอตอนนี้คนที่เขารวยอันดับหนึ่งของโลกนะเขาก็ยังไม่เจอความสุขเขาเจอแต่ความภาคภูมิใจสะใจเขาก็ยังทุกข์อยู่เพราะต้องรักษาที่หนึ่งเ ข, เขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เงินยังทำให้เขาเดือดร้อนอยู่เขายางวัดว่าใครมีเงินมากที่สุดคนนั้นเป็นที่หนึ่งเขาก็ยังไม่เจอความสุข แต่ยี่บปีของพรอครูมาอยู่ที่นี่เนี่ยพ่ะครูไม่เคยเจอไอ้ตัวทุกข์ที่มันเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันไม่มความรู้สึกทุกข์เลยไม่มีกังวลอะไรเลยนั่นแหะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระเท่านั้นเองไม่ใช่มีโน่นมีนี่ทุกวันนี้ที่เราทุกข์คือเรามี เนื่องจากเรามีกรรมก่อนเราจึงได้มาเกิดอีกเกิดมาวันแรกก็รับทุกข์พราะเกิดและร้องไห้ละ่ะแก่มาลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บมาก็โอยอีกวันจะตายตา ย, ตายไม่ลงก็ทุกข์อีกมีเงินล้นฟ้าเป็นแค่สะดวกสบายสะใจพึงพอใจแต่ก็ยังทุกข์อยู่นั่นล่ะ ถ้าเราดับทุกข์ได้เราจะเจอความสุขอย่างยิ่งคำว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งโดยเฉพาะพุทธศาสตร์สนาเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนให้เราเพิ่มอะไรแม้แต่หนึ่งอย่างไม่มีบอกให้เราลดละเลิกเท่านั้นเองแม้กระทั่งความรู้ทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใส ทำดีคืออะไรการให้ทานคือสลัดออกสลัดความโรคความตหนีออกบุญคือเบาบาปคือหนักเมื่อเอากิเลสตัณหาออกไปมันก็เบาได้ทันจีศีลเป็นเกาะป้องกันภัยไม่ให้เราไปสร้างกรรมชั่วใหม่ทำดีแล้วชั่วยังไม่พอนะต้อง ขัดเกาจิตให้ผ่องใสมันเปื้อนอยู่แล้วเอามันออกมาเห็นไหมเราทำบุญไม่ใช่ประสาสมบุญนะบุญมันเกิดจากการให้ทานทาบุญทาทานทานคือจาคะคือสลัดออกไม่มีอะไรเราเอามาเข้าเลยนะสารานี้สะอาดเพราะเอาความสกรปรกออกเท่นั้นเองไม่ใช่ต้องเพิ่มตัวสะอาดเป็นศาสตร์ที่ง่ายที่สุดในจักรวาล ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแค่เอาออกแต่มันไปขัดแย้งกับกิเลสเราถูกสอนให้เอาเข้ามันยากเพราะกิเลสไม่อยอมกว่าจะเรียนจบอนุบาลปึ๊บก็ต้องใช้ดินสอปากกาแล้วไปตีกรอบก็ต้องมีมีไม้กรอบต้องไปเสียค่ากีนผีต้องอะไรเต็มไปหมดเลยเพื่อแลกกับความสนุกสนานชั่วข้าว ทำไมพระครูจึงจะต้องถวายชีิพพุทธเจ้าล่ะพระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะใช้คำวานับถือไปเห็นได้ยังไงแล้วก็เครื่องมือที่ต้องการกำจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเครื่องมือทำสามอย่างเนี่ยคือทานศีลภาวนาเนี่ยมีอยู่แล้วคือกายเวทนาจิตธรรมไปไหนก็ไปด้วยทำเมื่อไหร่ก็ได้ มันมีศาสตร์วิชาไหนที่มันง่ายขนาดนี้บางคนบอกพ่อครูบอกว่าเราทุกข์เพราะจิตเราไม่ว่างกังวลหัวนูวนนี่ที่มันไม่ว่างเพราะมันติดไม่เอกเราเวียงไม่เอกทิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็บรรลุเดี๋ยวนี้เวียงพรุ่งนี้บรรลุพรุ่งนี้คือวางแล้วมันก็ว่างหลายคนพ่อครูมันวางยากยากยา ก, ยากถามว่าตำรวจจับไหม ต้องขออนุญาตใครไหมต้องเสียเงินกี่บาทมันยากเพราะมันง่ายมันยากเพราะมันง่ายเราไม่เชื่ออะไรจะมีง่ายขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยอย่าไปรักษาโลกนะอย่าไปรักษามันอยู่กับเราเวี่ยงมันทิ้งเบี่ยงโลกทิ้ง ก่อนจะเวี่ยงทิ้งนี่เราก็ไปจ่ายหนี้กรรมแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปเองเป็นหนี้จ่ายหนี้ก็หมดหนี้ทีนี้มันเป็นสูตรสาเร็จนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครเขาทำได้ถ้าไม่มีความตั้งมั่นไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยมารมันจะมาหลอกเราเพราะว่ากรรมที่เราสร้างเนี่ยมามันจะหลอกเรา แต่ว่าในทางกลับกันมานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดมานมาเราก็รู้เรียนรู้กับมันสู้กับมันไม่หนีแต่ถ้าปฏิบัติปุ๊บอุ้ยเจ็บหนีแล้วเราหนีนี่เราขี้เหนียวนี่มันจะหมดได้ยังไงยี่สกปีพระกูเห็นหมดนะ โรคอะไรก็ช่างแม้กระทั่งโรคเอดเลือดมันเปลี่ยนได้สำคัญว่าเอาจริงไหมทุกวันนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแม้กระทั่งไข้หวัดหรือโรคภูมิแพ้มันไม่ได้หายขาดมันหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเป็นแค่บรรเทาเฉย ไม่มียาวิเศษไหนที่รักษาโรคเวรโลกกรรมได้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ผู้เจ้าบอกว่าเราต้องมีปัจจัยสี่เราต้องมียารักษาโรคบางอย่างต้องพึ่งแต่สุดท้ายอันสำคัญคืออัตติหีอัตโนนาโถตนแลจย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนพระครูเคยพูดบ่อย ว, วิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดล้อมทีนี้สิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่สุดคือมนุษย์ข้างตัวเราอยูด้วยกันทะเลาะกันทุกวันเพิ่มความเครียดทุกวันภูมิคุ้มกันมันก็ตกถ้ามนุษย์ที่ไม่มีสํานึกมันก็ทําสิ่งแวดล้อมเปื้อนไปหมด เราต้องสะอาดสิ่งแวดล้อมเริ่มจากมนุษย์ข้างตัวเราตอนนี้เธอก็เครียดฉันก็เครียดแบกภูเขาอยู่ในอกนั่นแหละอย่างอื่นสิ่งแวดล้อมมันเปื้อ น, น, นเรื่องเล็กที่มันเปื้อนเพราะมนุษย์จิตใจมันเปื้อนถ้ามนุษย์จิตใจมันดีนเธอก็เย็นฉันก็เย็นพลังในบ้านมัน มหาศาลพุ่มพุ่มกันเกิดตอนนี้สิ่งแวดล้อมเปื้อนหมดแล้วเราก็กินยาพิษเข้าไปกินเหล้านะแล้วก็เอาอารมณ์ต่างๆทําให้จิตเปื้อนอีกขีดไม่หยุดไม่หยุดเพราะว่าสนองตัณหาข้างในก็เปื้อนข้างนอกก็เปื้อนแล้วมันจะเหลืออะไรแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เนี่ย เรามีหน้าที่เปลี่ยนตัวเองสะอาดจิตสาร่างกายภูมิคุ้มกันก็เกิดอย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาสิ่งที่เราทาได้แค่นั้นเองจะเริ่มจากตัวเราก่อนเมื่อตัวเราเนี่ยทำได้แล้วเนี่ยบารมีเราเนี่ยจะถึงคนข้างตัวเราในครอบครัวเพราะสังคมองรวมเนี่ยเหลือบากวารางเราเราจะเปลี่ยนกรุงเทพไม่ให้รถติดได้ไหมอาการรถติดก็คือเพื่อนนะ ไอ้มนภาวะนั่นก็หยับหยาดมันแหะแต่อาการรถติดเนี่ยที่ทำให้เราหงุดหิดให้เราไปเสียเวลากับมันเนี่ยมันก็ทําให้เราเบื้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันสะสมนะกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ให้เราเด้ยงยังไงวันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพวอครูเนี่ยพ่อครูเห็นเลยไม่กล้าพูดกับใครทั้งนั้น เราเนรเทศตัวเองมาอยู่ในป่านักวิชาการหลายแขนงรู้จักประวัติพระครูก็พยายามหาข้อมูลพรอครูบอกจริงๆได้ไหมพระครูมาอยู่ที่นี่พรอครูดได้อะไระก็บอกได้อยู่ไงได้อากาศที่บริสุทธิ์ไงอาหารที่บริสุทธิ์ไง จริงๆแล้วลมหายใจนี่สำคัญกว่าปัจจัยสี่นะแต่ผู้เจ้าไม่แสดงเพราะว่ามันไม่ต้องหาแต่ตอนนี้อยู่ในเมืองเนี่ยดีไม่ดีต่อไปต้องมีออกซิเจนปิดหน้าไปด้วยมันหายใจเขาห อ, อมก็สะสมไปเรื่อยที่นี่เราได้ชีวิตไงพ่อครูบอกได้ให้ไงเขาถามมาทำไมต้องให้อยากรู้ไหมลองให้ดูสิให้ได้ยังไงมันเจ็บ นั่นไงแต่ให้บ่อยๆแล้วเนี่ยจนตัดเนื้อตัวเองหมดเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเจ็บแล้วเนี่ยใครทําให้เราเจ็บได้ไหมนั่นแหละคือผลของการให้เราไม่จะเรียนรู้วิชาเอาแล้ไม่เรียนรู้วิชาให้ผู้เจ้าสอนวิชาให้ทานศีลภาวนาไงเป็นทางพ้นทุกข์ทีนักวิชาการบอกมันยังไม่ชัดมันไม่ชัดพูดจะไม่ชัดโอเคเพราะครูอยู่รีสอร์ททุกวันก็แล้วกัน สมัยก่อนอยู่กรุงเทพอยู่เมืองใหญ่ทํางานจันท์ถึงสุขเครียดอยู่ตรงนั้นละ่ะสาวอาทิตย์ก็ไปวิ่งไปเอาเงินไปซื้อรีสอร์ตอยู่ที่นี่อยู่รีสอร์ตทุกวันไงเจ็ดวันอยู่รีสอร์ทุกวันไงเห็นไหมไม่ต้องผ่านเงินเลยเห็นไหมเออเขาเริ่มนิ่งได้หน่อยหนึ่งเราได้ชีวิตตรงๆงเลยไงไม่ใช่มีเงินก่อนค่อยซื้อความสุข ก็แค่เราไม่ทุกข์เราก็สุขแล้วไงหายใจเข้าออกมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไม่ต้องมีเสียงรถเสียงลาคนจนก็อ้างว่าต้องเข้ากรุงเทพเพราะมันมันไม่มีงานทำคนรวยว่าต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่าต้องหาเงินที่โน่นตอนเกิดสึนามิปีนั้นอยู่ภาคใต้นะ พวกชาวเขามันวิ่งขึ้นบนเขานะชาวเรานี่วิ่งไปดูอยากเห็นก่อนเพื่อนพอน้ํามันตีกลับมาตายหมดชาวเขาถึงเขาเลือกที่สูงไงเขาเอาชีวิตเป็นที่ตั้งชาวเราเพอว่าตายปุ๊บร้องไห้ปุ๊บก็บเก็บศพเป็นแค่ขยะไปแล้วก็สร้างใหม่สวยๆข้อเก่าเพราะมันได้หาเงินไงวันไหนเขาเปิดอ๋อเมื่อไหร่ก็สะดุ้งกันหมดเลยบอกฉันจําเป็นต้องอยู่ที่นูน้นชาวเขาทำไมบอกเอ้ยเรื่องอะไรจาเป็น ฉันอยู่บนเขาเนี่ไม่นอนหลับสบายเลยเห็นหมเขาเอาชีวิตเป็นที่ตั้งเขาไม่ได้เอาเงินเป็นที่ตั้งชาวเราเนี่ยเจ็บแล้วไม่จำเพราะเรามีเงินเป็นที่ตั้งเราไม่มีชีวิตเป็นที่ตั้งหลายปีก่อนเคยมีอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขคณะใหญ่มาเยี่ยมพ่อคูพูดได้เลยในแพทย์มงคลนสง่า พอพักคูบรรยายเสร็จรู้สึกมีท่านหนึ่งอยู่ไอกรมโรกจิตอะไรยกมือถามว่าเห็นบอกปฏิบัติฝึกจิตในี่บางคนเป็นวิกลจริตวันนั้นช่วงนั้นพอดีมีหมอคนหนึ่งเนะ่เกิดเรื่องพวกนี้ไงมีเรื่องจิกเรื่องอะไรฟ้องร้องกันอยู่เพราะว่าไปเชิญคุณหมอคนนั้นที่นี่เขาจะหายบ้าถามว่ามีใครบ้างไม่บ้า เกิดมาวันแรกมันก็แหกบากร้องในงมันบ้ามาเกิดละชาวเขาเขาถือผีถือสางเราหาว่าพวกนี้มันหลงงมงายไอ้พวกบ้าชาวเรานี่ถือศักดิ์ถือศีลแย่งกันถือลาบชดเชยเสริญเคี่ยกันไปหมดแล้วไม่บ้าชาวเขาเขากลัวผิดผีเขาก็ไม่ทําชั่วเขาอยู่อย่างสันติเสรีไม่ต้องมีตํารวจเขาก็ไม่มีเรื่อง ชาวเรานี่ตำรวจเป็นบ้านเต็มเมืองอายการสารเต็มไปหมดเลยทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยใครไม่บ้าใครบ้ากันแน่บ้าทุกคนบ้าคนละอย่างถ้าอยากหายบ้าทำยังไงไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้ต้องมาเอาความบ้าออกแล้วมันจะหายบ้านี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสไงไม่ใช่ไปโกรธมันฝึกสติฝึกสมาธิ สปริงก็โกธมันจนนั้นก็กกดกดก ด, กดอยู่ส4มสี่สปีพอไอ้ลูกโตชนปุ๊บเด้ง อ, อกไปเลยแล้วต้องทำลายสปริงซะดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกเมื่อเราทำลายมันแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเลยมันสงบตลอดการมันพัฒนาการสมัยเด็กๆเพราะคูเป็นคนอุบลเกิดที่อุบลที่บ้านมีโรงสีใหญ่ พอคนงานเขาไปส่งข้าวเขาใช้จั ก, กรยานข้าวกระสอบหนึ่งร้อกิโลเขาใส่ได้สองกระสอบเลยไปส่งทุกวันนี้จั ก, กรยานลองไปใส่กระสอบกลางเสียดถ้าร้อนไม่งอทรรมยุคนี้ต้องทำอย่างนี้เขาไม่ทำมาขายเขาไม่ได้ทามาใชา้ให้มันสวยเขาว่าแล้วให้มันไม่ทนเขาว่ามันจะได้ขายของใหม่ เทคโนโลยีอะไรเหมือนกันหมดแล้วปัญหาตามมาคืออะไรขยะล้นโลกทุกประเทศเมืองใหญ่ๆมีปัญหาขยะทั้งนั้นแหละเพราะเราคิดแบบนี้ไงมีแต่จะเอาแล้ววัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเกือบทุกชิ้ น, นขบวนการผิดมันเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมหมดต้องใช้พลังงานหมดเราอยู่กับแบบล้างผ่านแล้วขยะสารพิษล้นโลก โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วไปสร้างภูมิคุ้มกันให้มันมากขึ้นโรคเดี๋ยวซาบั้งเดี๋ยวอีโบล่าบังต่อไปอีดำอีแดงมันเจอะคิวกันมาแล้วนี่คือผลงานของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ประเสริฐผู้เก่งกาพวกกูมายี่บกปียังเห็นที่นี่บริสุทธิ์มากๆเขาพาพวกคูไปเก็บเห็ดไปหาอาหารในป่าโอโหซูปเปอร์มาร์เก็ตมันต้องจ่ายเงินเลย ว่ต้องมีสารพิษต่างหาแต่พอถนนเปิดออกมาปึ๊บเอาละไปตลาดได้แล้วทีนี้ไม่ใช่ไปเก็บเห็ดนะคนดีสารบอกไปใต้เห็ดเอาไฟออกไปก่อนเพื่อนกูเอาแบบล้างผ่านเลยตอนนี้ศูนย์พันหมดสมัยก่อนเนี่ยทุกคนไปปุ๊บทุกคนได้มากินหมดเพราะมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นมันขายไม่ได้เขาก็เอาแค่มาพอกินทุกคนได้หมดในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องลงทุนไปปลูกเห็ดมีกําไรมีขาดทุน อาหารทิพย์พ่อบ้านลงไปในน้ำได้ปลามาแม่บ้านก็ไปเก็บเผ็ดไปเอาหน่อไม้ไม่ต้องเสียเงินมีซูเปอร์ ม, มาร์เก็ตเห็นไหมถ้าไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินใช้เงินมากหาเงินมากหาเงินมากก็ทุกมากเขาอยู่ดีๆของเขานะเขาจนอยู่ดีๆของเขานักวิชาการเนี่ย หวังดีประสงค์ลายมาทำให้เขายากจนอุ้ยมันไม่จเจริญเติบโตนะไปกู้นี่ยืมสินธนาคารจเจริญเติบโตพุ่เจ๊งหมดเพราะเขาไม่มีเขาไม่ได้เรียนวิชาทำธุรกิจไงตอนนี้ยากจนแล้วเราเป็นหนี้ละไม่จ่ายก็ไม่ได้นอนบาดภาวาเขาจนอยู่ดีๆเขาไม่ได้ทุกเลยเรามาสอนให้เขายากจนนี่คือองค์ความรู้ไง คิดตามทุนนิยมจนมาสร้างคนค น, คนไทยกลายเป็นทาสหมดพราะคูเห็นก็เห็นกริย์แต่ว่าเห็นไปนั่งทุกข์อนนั้นเราก็แก้อะไรไม่ได้มีแต่เราทำหน้าที่ที่เราพอจะทำได้ตอนนั้นเองเราคิดนอกกรอบบวมความรู้เราไม่ได้เลยความรู้นั้นสร้างอัตราภาษาเดียวกันคุยกันไม่รู้ภาษา พเพราะครูเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นทาซานมันทะเลาะ ก, กับลิงสัหน่อยหนึ่งทำไมไม่ทะเลาะกับลิงเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนไงแต่ยุคนี้เราไม่ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะเขาเซ็ตอัพจัดระบบเอาวิชาการเป็นที่ตั้งเอาวิชาการเป็นคนวัดความรู้เรียนเจ็ดที่ห้ออันดับหนึ่งทาอะไรก็ไม่เป็น นี่คือสังคมที่มันบิดเบี้ยวเราเลยต้อง่อสังขารไปเรียนเอาท่องจำมหนึ่งเสร็จแล้วสอบเสร็จปุ๊บเออแสดงว่าประเมินว่าเธออ่านหนังสือเธอขยันผานปีหน้าไปท่องจำมอสองมอหนึ่งนี่โยนเข้าขยะไม่ได้ใช้เลยเด็กทุกวันนี้ก็ไปพึ่งอินเทอร์เน็ตเพราะครูบอกนะยุคนี้นี่เราไม่ใช้มันไม่ได้แต่ใช้ใมันเป็นได้ไม่อย่าใช้ให้มันตาย ใช่มันตายยังไงมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเขามีไว้ให้เราแทนการขี่การเดินนะพเพราะกูบอกเยาวชนเนี่ยขี่ให้มันเป็นอย่าขี่ให้มันตายนะตอนนี้ตัวเลขมาอันดับหนึ่งของโลกนะอุบัติเหตุที่ตายจากมอเตอร์ไซค์นี่เมืองไทยอันดับหนึ่งของโลกแต่ถ้าตายโดยอุบัติเหตุรถยนต์อะไรรวมกันแล้วนี่อันดับสองของโลกตายตายตายตายโค้ตตตงตายหมดอันนี้เรียกว่าโรคอะไร มีวัคซีนป้องกันไหมอาจารย์อ้อยเป็นวิทยาศาสตร์ผิดวัคซีน่ะช่วยเอาวัคซีนเนี่ยมาให้ปะกูหน่อยฉีดเยาวชนมุบมันจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ตายไม่มียารักษาต้องบริโภคยาพุทธเจ้ามันขี่ไปตายมันขี่ไม่เป็นไงเพราะความขนองของมันความอยาก เขามีเอาไว้ให้ขี่มันเอาไปสิ่งเด็กเราเป็นเหยื่อหมดเพราะกูไม่โทษเด็กนะถ้าจะต้องโทษโทษผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เด็กมันอยู่เด็กคือผู้ไม่รู้ผู้ใหญ่เมื่อจะทะเลาะ ก, กันมืจะหาเงินหาเงินอ้างสิทธิเสรีภาพนะซื้อมือถือให้ลูกๆเนี่ยพอมันไปโรงเรียนเพื่อนมีรุ่นใหม่มันก็มันก็ไม่ไม่ซื้อมันก็ไม่ยอมไปไง บอกอ้างว่าสิทธิเสมอภาคถ้าพ่อคูเป็นรัฐมนตรีศึกษาขอวันเดียวนะคำสั่งแรกว่าห้ามามือถือไปโรงเรียนนั่นก็เท่าเทียมกันหมดคือไม่ต้องมีเหมือนกันผู้ใหญ่มักง่ายเด็กก็เป็นเยอะนะอันนี้เล่าให้ฟังนะพูดให้ฟังเฉยๆแต่ว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้ละเราหยุดเกมนี้ไม่ได้เราต้องอยู่กับโลกนี้ให้ได้อย่าอยู่ให้มันเสีย ถ้าอยู่ไปด้วยทุกขไปด้วยเนี่ยเราเสียชีวิตเราเราโง่แล้วอย่างน้นอยๆยังไม่พ้นทุกเราต้องสุขไว้ก่อนนะหปีที่พระครูไปบรรยายข้างนอกเนี่ยโจทยอดฮิตทุกบริษัททางร้านองค์กรแบบตั้งโจทย์อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงาน ตอนนี้ทำไปด้วยทุกไปด้วยเพราะอยากสําเร็จอยากสําเร็จกลัวไม่สําเร็จก็ลุ้นอยู่ตรงนั้นแหละเครียดหมดเสียเวลาเท่ากันแล้วก็ขาดทุนความสุขไปแล้วกำไรความทุกมาอีกอันนี้โง่ซ้ำซากเมื่อเราพอใจกับงานเราต้องสุขกับงานเราทุกๆุทุกวันส่วนทำแล้วได้ก็สุขทำแล้วเสียก็สุขอีกเราไม่ใช่ทาเพื่อจะได้จะเสีย เราทำเพราะเรารักมันเราทำล้วก็มีความสุขส่วนได้เสียนั่นมันคือผลเรามันได้เราก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเรารู้ว่ามันได้เพราะอะไรมันเสียเราก็ประสบการณ์มันเสียเพราะอะไรเราจะฉลาดขึ้นไปทุกข์กับมันทาไมแต่ตอนนี้เราเราถูกสอนว่าแข่งขันเสรีต้องชนะอย่างเดียวแพ้คือคนไม่ดีเราถูกใส่โปรแกรมข้างในแล้วเราคิดนอกกรอบไม่ได้ ไม่ใช่สาธารณสุขสาธารณทุกทุกทั่วหน้าทั่วโลกประเทศที่เศรษฐกิจสังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เนี่ยมีหนี้มากที่สุดในโลกไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เนี่ยถึงจะเป็นเจ้าหนี้ก็เป็นหนี้ก็เป็นลูกหนี้บริษัทห้างร้านใหญ่แค่ไหนก็ช่างมีทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ และเงินที่เราไปทําลายทรัพยากรของโลกน้ํามันกว่าจะเป็นน้ํามันกี่ล้านปีรู้ไหมสูบขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านมาเลีวมาแรกเป็นจีดีพแล้วมาทําให้โลกร้อนอีกและถามว่าเงินที่เราทําลายทรัพยากรมันหายไปไหนกลายเป็นขยะหมดก็หถือเวลาห้านาทีนิดหนึ่งนะส่วนมากมาจากกรุงเทพ เพราคูขอแลกเปลี่ยนเนีไอ้คำถามนี่เคยถามมาตั้งหลายปีแล้วล่ะเพราะครูถามว่ากรุงเทพรถติดเนี่ยลิงหรือไก่เป็นตัวทำให้มันติดคนทำให้มันติดถามว่ารถติดชอบไหมร้อยทั้งร้อยไม่ชอบมีความสุขไหมไม่ทุกมากถามต่อ แต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่ทำไมรถไม่ติดคนทุกวันนี้ฉลาดมากทำไมทำให้รถติดให้ตัวเองทุกข์เราฉลาดจริงไหมสมัยก่อนพวกครูเคยอยู่สีแยกสิบพญานะขับรถไปสนามหลวงเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีตอนนี้ได้ไหมเมื่อเทคโนโลยีมันจเจริญขึ้นคุณต้องใช้เวลาน้อยกว่าเก่าสิ มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมทําไมคุณต้องทํางานมากกว่าเก่าสมัยก่อนธนาคารเปิด8ปดโมงครึปิดสามโมงครึ่ ง, ง, งกลับบ้าน4ี่โมงตอนนี้มีคอมพิวเตอร์ปุ๊บก็ทํางาน8ปดโมงครึ่งกลับบ้าน5้าโมงเพราะต้องเซตอัพคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วคุณจะมีเทคโนโลยีไว้ทำไมถ้ามันเก่งจริงนี่คุณต้องทํางานเหลือครึ่งวันก็พอไงชีวิตเราจะได้มีความสุข ไม่รู้เก่งจริงหรือเปล่าคนโบราณไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่เขาไม่ง่บัญญัติสิบประการทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปิรามิดนครวัดนครมเนี่ยคนยุคนี้สร้างไม่ได้ไม่ใช่คนโบราณเขามาสร้างรถยนต์เทคโนโลยีไม่ได้นะแต่อะไรที่มีประโยชน์มีโทษด้วยเขาจะไม่กระทำทุกวันนี้เราไม่สนใจหรอก มีแต่ว่าฉันขายฉันได้อะไรผลข้างเคียงช่างมันเป็นกรรมใหญ่หลวงนักเอาเป็นว่าทิษดีแข่งขันเสรีโดยมีทุนเป็นศูนย์กลางความสุขเกิดจากการบริโภคสำหรับพระครูนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนชนะสงครามตั้งโจทย์โลกอย่างนี้เนี่ย เจ็ 7, ปีที่ผ่านมาไอเดียนีนย้ล่มสลายแล้วแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้มีแต่แตกแยกกันมากขึ้นรอระเบิดยุคล่านาณิคมก็ผ่านไปแล้วลองถูกลองผิดยุคคาทาตก็ผ่านไปแล้วมนุษย์ไม่ได้รู้จริงลองถูกลองผิดแต่ผู้ยิ่งเจ้ารู้จริงทำแล้าเห็นจริงๆว่าพระองค์พ้นทุกได้ แล้วก็กาบกาบกาบกาบแต่เราไม่เคยทำตามพระ อ, องค์เลยมันก็ทุกข์สินะก็พครูมีเวลาแค่นี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระีรัตนาเตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวานพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอน